199. ภาสกผาสุวิหาระปัญจกะว่าด้วยการเดาะกระถินเพราะหวังอยู่ผาสุขห้ากรณี 324. ภิกษุกรานกระถินแล้วต้องการจะอยู่ผาสุขจึงถือจีวอลกไปคิดว่าเราจะไปยังอาวาสน้น ถ้าในอาวาสนั้นเราอยู่ผาสุข ก, ก็จะอยู่ถ้าไม่ผาสุข ก, ก็จะไปยังอาวาสโน้นถ้าในอาวาสนั้นเราอยู่ผาสุข ก, ก็จะอยู่ถ้าไม่ผาสุขก็จะไปยังอาวาสโน้นถ้าในอาวาสนั้นเราอยู่ผาสุขก็จะอยู่ถ้าไม่ผาสุข ก, ก็จะกลับอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่า จะให้ทําจีวร น, นี้นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับเธอให้ทําจีวร น, นั้นการเดาะกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยทําจีวรเสร็จภิกษุกรานกรถินแล้วต้องการจะอยู่ผาสุขจึงถือจีวรหลีกไปคิดว่าเราจะไปยังอาวาสน้นถ้าในอาวาสนนั้นเราอยู่ผาสุข ก็จะอยู่ถ้าไม่ผาสุขก็จะไปยังอาวาสนโน้นถ้าในอาวาสนั้นเราอยู่ผาสุขก็จะอยู่ถ้าไม่ผาสุขก็จะไปยังอาวาสนโน้นถ้าในอาวาสนั้นเราอยู่ผาสุขก็จะอยู่ถ้าไม่ผาสุขก็จะกลับอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะไม่ให้ทำจีวร น, นี้จะไม่กลับ การเดาะกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยตกลงใจภิกษุกราญกระถินแล้วต้องการจะอยู่ผาสุขจึงถือจีวรหลีกไปคิดว่าเราจะไปยังอาวาสน้นถ้าในอาวาสนั้นเราอยู่ผาสุขก็จะอยู่ถ้าไม่ผาสุกก็จะไปยังอาวาสน้น ถ้าในอาวาส er นั้นเราอยู่ผาสุขก็จะอยู่ถ้าไม่ผาสุขก็จะไปยังอาวาสโนนถ้าในอาวาสนั้นเราอยู่ผาสุขก็จะอยู่ถ้าไม่ผาสุขก็จะกลับอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทาจีวรนี้นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับให้ทาจีวรนั้น จีวรที่ภิกษุนั้นให้ทําอยู่นั้นเกิดเสียหายการดอกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยผ้าเสียหายภิกษุกรารกระถินแล้วต้องการจะอยู่ผาสุขจึงถือจีวรหลีกไปคิดว่าเราจะไปยังอาวาสโนัน้นถ้าในอาวาสนั้นเราอยู่ผาสุขก็จะอยู่ ถ้าไม่ผาสุกก็จะไปยังอาวาสโน้นถ้าในอาวาสนั้นเราอยู่ผาสุกก็จะอยู่ถ้าไม่ผาสุกก็จะไปยังอาวาสโน้นถ้าในอาวาสนั้นเราอยู่ผาสุกก็จะอยู่ถ้าไม่ผาสุกก็จะกลับอยู่นอกสีมาให้ทําจีวรนั้นทําจีวรเสร็จแล้วคิดว่าจะกลับจะกลับ จนล่วงกราวกรถิ่นดอกนอกสีมาการดอกกรถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยล่วงเขตภิกษุกลานกรถินแล้วต้องการจะอยู่ผาสุขจึงถือจีวรหลีกไปคิดว่าเราจะไปยังอาวาสน้นนท่าในอาวาสนนั้นเราอยู่ผาสุกก็จะอยู่ถ้าไม่ผาสุก ก็จะไปยังอาวาทโน้นถ้าในอาวาทนั้นเราอยู่ผาสุขก็จะอยู่ถ้าไม่ผาสุขก็จะไปยังอาวาทโน้นถ้าในอาวาทนั้นเราอยู่ผาสุขก็จะอยู่ถ้าไม่ผาสุขก็จะกลับอยู่นอกสีมาให้ทำจีวรนั้นทาจีวรเสร็จแล้วคิดว่าจะกลับกลับมาทันกะถินดอก การเดาะกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่าเดาะพร้อมกันกับภิกษุทั้งหลายผาสุวิหาระปัญจกะจบ